ก่อนที่จะสมาทานศินหลวงพ่อจะขอพูดเรื่องศินให้ฟังก่อนเพื่อเป็นที่เข้าใจกันแต่ตามไม่จริงครูบาอาจารย์ก็คงจะได้ศึกษาเรื่องศีลธรรมมามากพอสมควรแต่ว่าบางครั้งอาจจะหลงลืมไปเพราะว่า ได้ใส่ใจไปทางอื่นมากกว่าไม่ได้สนใจในเรื่องนี้มากแต่ทั้งที่รู้แต่ก็ไม่ได้สนใจขนาดหลวงพ่อเองสวดมนต์เกือบทุกวันก็ยังหลงได้แต่พวกเรานานๆจะได้มาวัดจะได้ศึกษาเรื่องธรรมะจะได้ศึกษาเรื่องศีลธรรมหลวงพ่อคิดว่าคงหลงลืม แต่ตามไม่จริงถ้าไม่หลงลืมบางครั้งก็ทำแกล้งหลงลืมเม่ั้นแหลเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้ย้ำให้อีกว่าอย่าไปหลงลืมน ะ, ะข้อสาคัญข้อสุดท้ายอย่าไปหลงลืม เ, เพราะนั้นวันนี้เป็นวันครูเป็นวันสาคัญของโลกทำไมจึงว่าของโลกเพราะโลกจะต้องได้รับการศึกษาอย่างประพุทธเจ้าว่าบรมครู อันนี้พวกเราก็เป็นสุดท้ายปลายหลังของครูมีหลายมีหลายระดับเพราะฉะนั้นครูเป็นผู้นําชุมชนสังคมประเทศชาติผู้นําของโลกเพราะฉะนั้นจึงถือว่าวันนี้เป็นวันครูของประเทศชาติประเทศไทยของเราเนี่ยว่าเป็นวันสําคัญเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงทําพิธีสําคัญพวกเราจะเด รับศีลคือรักษากายวายใให้เรียบร้อยซะก่อนคําว่าศีลถ้าจะว่าไปแล้วคือกฎและเบียบการอยู่ร่วมกันเราจะว่ากฎหมายก็ใช่จะว่ากฎหมูก็ใช่จะว่ากฎระเบียบก็ใช่จะว่ากฎท้องถิ่นก็ว่าใช่จะว่ากฎหมู่คณะก็ใช่จะว่ากฎสําหรับรักษามีวินัยในตัวเองก็ใช่คําว่า ศีลคำนี้ก็คือการอยู่ร่วมกันไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าพวกเราว่าศีลคำนี้ต่างคนก็ต่างงายหลังว่างั้นเถอะเราจะรักษาศีลได้ยังไงแต่ตามไม่จริงศีลเป็นคําหนึ่งเออเป็นคํานิยามนะคำพูดคําหนึ่ง เ, ออเหมือนกับกินอย่างนั้นแหะกินอีด เ, เจี๊ยอย่างเนี้ยภาษาบ้านเรายิ่งมากกว่านั้นอีกว่าเงั้นอแต่ไม่ขอพูดเขาว่ามันหยากว่าเงั้ยเถอเ อ, อันนี้ก็เหมือนกันน่ะสินถ้าจะว่างไปแล้วก็คือการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันในชุมชนสังคมประเทศชาติตลอดถึงธรรมชาติที่เราพึ่งพาอาศัยจะอยู่ด้วยกันด้วยความเพียงพอแล้ว อยู่ด้วยกันด้วยความเหมาะสมอย่างไรอย่างในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสินีิบข้อนี่พระพุทธเจ้าพูดควบคุมลหลายๆลอย่างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายคงจะไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดแต่หลวงพ่อนี่นำมาวิเคราะห์เป็นบางสิกขาบทใน227ข้ออย่างสิกขาบทในสินส2งีข้อเน่ะพระพุทธเจ้าท่าน ยกมาบางประเด็นนะยังห้ามภิกษุไปให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบ้วนเคละลงในของเขียวท่านรักษาขนาดไหนบ้วนเคละก็คือน้ําลายลงในของเขียวห้ามภิกษุถ่ายอุจจาระปัสสาวะบ้วนเคละลงในน้ํำ ท่านรักษาธรรมชาติท่านรักษาถึงขนาดนั้นแหะในพระวินยัยสรุปแล้วก็คือให้อยู่ในธรรมชาติให้อยู่ด้วยกันตามธรรมชาติให้สะอาด อ, อย่าไปใช้แบบใครจะทุยใครจ ะ, ะถ่ายลาดลงไปในน้ําทั้งที่คนอื่นเขาใช้อยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอันนี้คือพวินัยของพระพุทธเจา้าคือศินนี่แหละศินก็คือการอยู่ร่วมกัน การอยู่กับธรรมชาติอย่าได้เบียดเบียนกันให้อยู่ได้ความเหมาะสมให้มีวิตในให้มีการสำรวมระวังในการเป็นอยู่ที่จัดว่าศีลท่นี้ศีลห้าที่พวกเราจะสมาทานต่อไปนี้ก็คือศีลข้อที่1ก็คือปานาติบาไม่ให้ฆ่าสัตว์ชีวิตเขาชีวิตเราเราก็รักพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเราก็รัก เขาก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาเอออย่าไปฆ่าลูกหมาอย่างนี้พ่อแม่มันก็รักถ้าไปฆ่าพ่อแม่หมาอย่างนี้ฆ่าแม่หมาอย่างนี้ลูกมันลูกของมันมันก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเหมือนกันแล้วไปฆ่าแม่คนอย่างนี้ลูกของเราจะคิดยังไงอย่ามาฆ่าแม่ของเราเราจะคิดยังไงอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นกลางท่านเป็นธรรมมีธรรม ม, มีเมตตาธรรมในจิตใจ ท่านบอกว่าอย่าเบียดเบียนกันนะถ้าเบียดเบียนกันทําให้เขาเป็นทุกข์เขามาเบียดเบียนเราเราก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าเราพิจารณาดูแล้วเป็นธรรมถ้าทําจิตใจให้เป็นกลางแล้วพิจารณาให้เป็นธรรมเป็นกลางแล้วเป็นธรรมพระพุทธเจ้าแต่พวกเราจะรักจะเคารพในกฎเกณฑ์มากน้อยแค่ไหนอันนั้นสุดแท้แต่ อตัวแท้แต่พวกเราจะเคารพแต่กฎเกณฑ์ของเขานั้นอกฎเกณฑ์ของท่านนั้นเป็นธรรมเออเหมือนกับว่าอย่าเล่นการพนันนะอย่างนี้ถ้าใครเล่นจับอย่างนี้เอะแต่เผลอๆพวกเราไปแอบแฝงไม่มีใครรู้กันเล่นไพ่กันบ้างให้โลกันบ้างอะไรกันบ้างอย่างเนี้ยอ่มันถูกไหมล่ะมันก็ไม่ถูกใช่ไหมเพราะมันมีกฎอยู่แล้วถ้าทําให้ดีก่อนอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบ อย่าไปทำในเมื่อมีกฎขึ้นมาแล้วนะอันนี้คือศินสองอธทินนาทานข้อที่สองการขโมยของคนอื่นของเราเราก็รักแต่เป็นของคนอื่นเขาก็รักเช่นเดียวกันเนีเขาหวงแหนพราสมบัติของเขาเราก็หวงแหนรักสงวนหวงแหนเพราะเป็นสมบัติของเราแต่ถ้าว่าเราไปขโมยของเขาล่ะเขามาขโมยของเราล่ะอ่า ไม่ต้องพูดถึงเราก็เสียใจเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าขโมยกันอย่าเบียดเบียนกันเอออันนี้คื อ, คอสิลข้อที่สองข้อที่สามกาเมสามีพัญญาลูกเต้าเล้าหลานวงศ์สาขนายาิเขารักสงวนห่วงแหนของเขาของเราก็ไม่แพ้กันกับของเขาเพราะนั้นอย่าไปล่วงละเมิดอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขายหน้าขายตา เ, ออเสียศักดิ์ศรีเสืเส่อมเสีย ทั้งหมดทางตระกูลเพราะนั้นอย่าไปล่วงล้าเขาเขาก็ไม่มาไม่ควรจะมาล่วงล้เลาเราเขารบสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้สินข้อที่3ข้อที่4มุสาการโกหกเขาเขามาโกหกเราเราก็เสียใจเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นการโกหกไม่เป็นผลดีมีอะไรก็พูดตาพูดกันตามตรงมีอะไรก็พูดตา ม, ตา ม, ต ม, ตามความเป็นจริง แต่ว่ามันจริงเกินไปสิ่งที่เรารู้แต่มันจะเป็นหายนะเรือว่าจะเป็นพิษภัยเมื่อเราพูดตามความจริงเกินไปเราก็ไม่เป็นเราก็ไม่ควรพูดเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเราที่จะพูดหรือไม่พูดถ้าพูดแล้วเสียหายเราจะพูดไปทำไมเราสงวนสิทธิ์ที่ไม่พูดสิ่งเหล่านี้มันก็ปัญญาเหมือนกันนั่นน่ะเพราะนั้นถ้าหาว่าสิ่งที่ควรพูดมันจะเสียหายเราก็ พูดตามความเป็นจริงแต่ถ้าว่าเราคิดโกหกคิดสนุกแล้วโกหกคนอื่นที่เฉยอันนั้นเสียหายอย่างมากอย่างตัวอย่างพวกเราท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักทางไปอุดร อ, อย่างนี้พอไปเห็นอุดรไปทางไหนครับทางอุดรไปทางไหนครับนูน่นชี้ไปทางปากชมน่ไปถึงปากชมอีกอุดรไปทางไหนครับนูน่นชี้ไปทางด่านซ้ายน่ แล้วเป็นยังไงเชื่ไปจะไปถึงเสียงไฮ้อุดร อ, อยู่ทางไหนทีนี่เออไม่ถึงสักทีเพราะตรงต่างคนก็ต่างโกหกกันทุกทุกแห่งทุกคนเออเพราะฉะนั้นการโกรหกไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจังาให้มีการซื่อสัตย์ต่อกันอย่ากโกหกกันอันนี้ข้อที่สข้อที่ห้สุราเมรยะมัชชปมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้ทาให้เสียหาย สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้มีสติสมบูรณ์สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเราจะเอาน้ําเบาน้ําเมาดื่มน้ําเมาดื่มน้ําเสียที่ใสดื่มน้ําไม่ดีเข้าไปในตัวของเราการพูดออกมา ก, ก็เสียการกระทําออกมา ก, ก็เสียผลที่สุดครูบาอาจารย์ที่เสียหายเพราะสุรานี i มีมากต่อมากเพราะฉะนั้น สุราไม่เป็นผลดีเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะนั้นศินของพระพุทธเจ้าทั้งห้าข้อถ้าหากว่าพวกเรารักษาได้ทุกข้อจะเป็นบุกจะเป็นบุคคลที่ดีของชุมชนและสังคมประเทศชาติของโลกเพราะนั้นหลวงพ่อจะให้ศินพวกเราจะได้รับศินถึงจะเป็นชั่วคู่ชั่วขณะก็ยังดีถ้ารักษาได้ตลอดไปก็ยิ่งดีนะ วันนี้เป็นวันครูควรจะทําตนให้เป็นครูแท้ๆนะอยจะไปให้ครูเปยซ้ายเปยขวาเปย์หน้าเปยหลังเอหลวงพ่อว่าไม่ดีนะแล้วตอนนี้ไปหลวงพ่อได้มาพบครูบาอาจารย์จะได้กล่าวสัมมอนิยกถาแต่ว่ากล่าวสัมมอนิยกถาทล้ายๆว่ากล่าวเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวที่จะต้องพูดให้ทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนะ ความหมายง่ายๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันครูเป็นวันสําคัญยิ่งอย่างที่ลุงพ่อได้กล่าวเกินเบื้องต้นเป็นวันสําคัญยิ่งทําไมจึงว่าเป็นวันสําคัญถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพวกเราจะเป็นคนโง่เง่าเต่าตุตนถ้าไม่เชื่อก็อทดลองดูก็ได้ใครเกิดมาใหม่ๆเกิดยับเข้าอยู่ในห้องกระจกปิดไปเลยไม่ให้รู้จักภาษาไม่ให้เรียนรู้เรื่องต่างๆ มีแต่เอาข้าวเอาน้ําให้กินเ อ, อให้ออกกําลังเป็นบางครั้งจนใจโตขึ้นมาแล้วปล่อยออกจากห้องกระจกพวกเราคิดดูก็แล้วกันคนประเภทนั้นจะเป็นพจน์ประเภทไหนเออคือหนวกบอดไปหมดไม่รู้ภาษากันเลยอันนี้แปลว่าไม่ได้รับการศึกษาเพราะฉะนั้นพวกเราได้รับการศึกษาอันดับแรกก็คือบุพาจารย์ได้รับคำศึกษาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเป็น อันดับแรกคือว่าปุปพาอาจารย์พ่อแม่เป็นปุปพ า, าจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดาต่อมาก็เป็นครูบาอาจารย์สอนประถมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้สอนนักเรียนประถมต่อมาก็มัธยมมสม 4, มสมหม6ต่อมาก็ปริญญาตรีโทเอกตามขั้นตอนอันนี้แปลว่าวิชาทางโลก แต่ถึงยังไงก็ตามวิชาทางโลกนี่ไม่มีที่สิ้นสุดถึงจะเรียนมากขนาดไหนก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าวิชาทางโลกกว้างขวางกว้างไกลเพราะนั้นพวกเราเป็นครูบาอาจารย์ก็รู้ได้ระดับหนึ่งตระเอกภาษาไทยก็ไม่เก่งทางตระเอะภาษาอังกฤษคณะขนาดเป็นครูบาอาจารย์อนุบาลประถมมัธยมมีความรู้ก็ยังไม่เสมอกัน เพราะนั้นไม่ต้องพูดถึงปริญญาตรีโทเอกวิช า, ขาแขนงอื่นๆเพราะวิชาในโลกนี้มีมากมายจนนับกรรณาหาประมาณไม่ได้มีวิชามากมายเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นครูบาอาจารย์ขอให้ขอให้ตั้งอกตั้งใจสอนตามหลักวิชานั้นๆอย่างหลวงพ่อเองแต่หลวงพ่อเป็นพระฝึกหัดทางจิตตภาวนาเรื่องภาวนาจิต ทำยังไงวิปัสนาเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงวิปัสนาเป็นยังไงหลวงพ่อศึกษามาทางนี้เพราะฉะนั้นใครจะถามเรื่องบาลีแปลว่ายังไงหลวงพ่อจะบอกว่าไม่ได้ถ้าจะมาถามมาถามทางภาคปฏิบัติจิตภาวนาเวลาเดินจิตเดินยังไงสมาธิเป็นยังไงความสงบเป็นยังไงปัญญาวิปัสนาเป็นยังไงให้ถามได้ถ้าถ้ารู้ก็จะตอบถ้าไม่รู้ก็จะไม่ตอบเพราะวิชาแต่ล ะ, ะแขนง คนคนหนึ่งรู้ขนาดหนึ่งแต่ขนาดเรียนอยู่กับครูบาอาจารย์คนเดียวกันกระดานแผ่นเดียวกันนั่งอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์สอนอันเดียวกันความรู้ความฉลาดความสามารถยังแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าคนอยู่คนละคนละกระดานอยู่คนละชั้นอยู่คนละยุคจะให้เสมอกันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาทุกอย่างในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่าน บอกแก่พระสงฆ์ว่าออสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับอยู่ในขอบสระอยู่ในป่ามีต้นไม้ประดู่ลายออต้นไม้ประดู่ใบหล่นเต็มในพื้นพระพุทธองค์เจตนาที่จะสอนพระสงฆ์พระพุทธองค์ได้กวาดใบไม้ประดู่มากํามือหนึ่งแล้วก็ตัดถามภิกษุห้ารอลูกที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในบริเวณนั้น ท่านก็ถามขึ้นมาว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายใบไม้ประดูลายอยู่ในกำมือของเรานี่กับใบไม้ที่มันหล่นอยู่ในจั ก, กรวาลเนี่ยอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์ก็ตอบว่าใบไม้อยู่ในกำมือของพระพุทธเจ้าเนี่เพียงหน่อยเดียวพระเจ้าค่ะใบไม้ที่หล่นมีมากกว่าพระพุทธองค์ก็บอกว่านี้ล่ะท่านทั้งหลายสงฆ์ทั้งหลาย คำคำสั่งสอนของเราจะถาคดเนี่ที่สั่งสอนพวกท่านทั้งหลายสั่งสอนพุทธบริษัทสีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีเนี่ยเหมือนกับใบไม้อยู่ในกำมือของเราแต่สิ่งที่เรารู้แต่เราไม่ได้นํามาสอนนั้นเหมือนกับใบไม้อยู่ในที่มันตกลนไปทั่วไปสิ่งที่เรามาสอนนี้สอนให้พวกท่านทั้งหลายรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปุลกุลโทษรู้จักสิ่งควรทําและไม่ควรทํา สอนให้รู้จักเกิดความเบื่อหน่ายทายหลุดพ้นไม่มาเกิดแก่เก็บตายในโนกนี่อีกมีเพียงเท่านี้แหละที่เราสอนแต่สิ่งที่เรารู้มีมากแต่เราดูแล้วไม่เกิดประโยชน์สอนไปต่อบางทีก็ทําให้โลกพู่นวายไปก็มีความรู้ทางโลกเพราะนั้นเราจึงไม่นํามาสอนมาสอนโดยเฉพาะสิ่งที่จะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายทายหลุดพ้นหนีจากความทุกข์ให้มีแต่ความสุข นี่แนหะพระธรรมคาจังสอน8ป0 0 0พันพระธรรมมาขันนั้นเราสอนเพียงในกํามือของเราอันนี้คือพระพทธเจ้ า, าเปรียบเทียบนะถ้าจ้ว่าไปแล้วหลักของพุทธศาสนาที่พวกเราได้ศึกษาการศึกษาถักหลักของพุทธศาสนานี่แตกต่างกว่าการศึกษาศาสตร์ทังโลกศาสตร์ทางโลกเนี่าศาสตร์วิทย า, าศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์วิศววิศวะ สทภาพปานิชโยธาอะไรก็ตักเรียนม่แต่เรียนออกไปข้างนอกแต่เรียนของหลักของพุทธศาสนาเนี่เรียนเข้ามาข้างในเรียนเข้ามาหาใจตัวผู้รู้เรียนเข้ามาหาตัวนึกคิดเรียนเข้ามาหาสมองเรียนมาหาตัวที่ว่าความรู้ต่างๆออกมาจากไหนที่ความคิดออกไปข้างนอกมันคิดออกไปจากไหน อันนี้คือหลักของพุทธศาสนาสอนเข้ามาหาตัวใจตัวผู้รู้แต่วิชาทางโลกนั้นสอนไปออมองไปข้างหน้าเรื่อยๆเอ่หเหมือนกับเราเอาไฟฉายขึ้นมาแล้วส่องไปข้างหน้าอย่างนั้นอะ่ะพอส่องไปข้างหน้าเราก็จะไปเห็นต้นไม้ภูเขาสัตว์สร า, าสิงเอกิอ่งไม้ต้นไม้ผู้คนอะไรเราก็จะเห็น อันนีน้คือเรียนไปทั้งออกไม่มีที่สิ้นสุดเดินไปไกเท่าไรก็ยิ่งเห็นไปเรื่อยแต่หลักของพุทธศาสนาสอนเข้ามาหาใจตัวผู้รู้ใครเป็นคนรู้ในสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนกับเราสองเข้ามาหัวเทียนไปฉายนั่นและแล้วกระดับสวิตตับเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาท่านให้ให้ดูใจนะมีที่สิ้นสุดในในการเรียนพุทธศาสนา แต่เรียนทางโลกนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเรียนไปเท่าไรก็ยิ่งกว้างขวางไปเรื่อยๆเพราะนั้นหลวงพ่อเคยพูดกับผู้ที่มาเกี่ยวข้องบอกว่าการศึกษาทางโลกนั้นใครจะเรียนยังไงก็ตามอย่าไปลืมตัวอย่าไปตล่าว่าข้าในรู้ข้าในฉลาดข้านีนมีความสามารถกว่าใครทั้งหมดถ้าเราพูดอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นแปลว่าเราไม่ใช่โง่ธรรมดา เ, เป็นมรลุมาโง่อีต่างหาก เพราะว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างวิชาทําขนมเรารู้ไหมทํากล้วยเตี่ยวเรารู้ไหมทําขนมเส้นเรารู้ไหมโยธาเรารู้ไหมสถาปนิกเรารู้ไหมถ้าขนาดเป็นครูบาอาจารย์อย่างเดียวก็ยังไม่เก่งทุกวิชาอภาษาอังกฤษเราเก่งไหมภาษาไทยเราเก่งไหมคณิตศาสตร์เราเก่งไหมเคมีเราเก่งไหมถ้าเราไล่ไปมันก็ไม่เก่งทุกทุกอย่าง บางทีก็เหมือนกับเป็ดเท่านั้นเองเอ่อเป็ดนั่คื อ, อยังไงว่ายน้ําก็ได้แต่จะให้เหมือนเร็วเหมือนเรือเขาก็ไม่ได้บินก็ได้แต่จะให้เก่งเหมือนนก ก, น ก, ก, นก็ไม่ได้วิ่งก็ได้เออแต่จะให้เหมือนกับเอ่อนกกระจอกเทศก็ไม่ได้น่อันนี้เพราะว่าเก่งเหมือนเป็ดเก่งทุกอย่างแต่เอาหาตัวหาตัวที่เด่นเด่นไม่ได้ที่จะเก่งกว่าเขาไม่ได้อันนี้บอกเก่งเหมือนเป็ดอ น, นี้พวกเราโดยมากจะลักษณะอย่า ง, งานั้น เพราะนั้นในหลักของพุธศาสนาท่านจึงว่าอย่าลืมตัว อ, ออย่าลืมตัว เ, เรารู้เราก็รู้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองคนที่รู้กว่าเรามีมากและมีมิช า, ชาความรู้แต่และแขนงนั้นมีมาก อ, อ, อย่างวิชาการแพทย์อย่างเนี้ยหมอตาก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งหมอหูหมอหูออแล้วก็เก่งหมอจมูกอีกหมอกระดูกอีกหมอผิวหนังอีก หมอฟอนอีกตั้งเยอะแยะในการเป็นหมอหมอฟันอีกแต่จะเก่งทุกหมอนั้นรวมกันทั้งหมดใช่หมอรวมก็เก่งอยู่แต่ว่าจะจะให้เก่งเหมือนหมอที่เขาเรียนเฉพาะทางนั้นเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันวิชาทางโลกก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้นำในการศึกษาก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจศึกษาลูกหลานของพวกเรา ประเทศชาติของเราอย่างทีหลวงพ่อได้เกินเบื้องต้นหลวงพ่อึงจะอยู่ในป่าดงพงไพหลวงลพ่อก็ไม่ได้มองข้ามในการศึกษาถ้าว่าลูกหลานประเทศชาติบ้านเมืองพัฒนาดีมีการศึกษาดีประเทศชาติก็จ ะ, จ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองไปได้ง่ายแต่ถ้าว่าลูกหลานไม่ได้รับการศึกษามีตการให้อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ให้ความรู้ความฉลาดแก่เขา มีแต่ให้รัพย์สมบัติแก่เขาเหมือนกับหาเงินหาทองให้แ ก, ลกแ่ลูกที่โง่เขานั่นเองถ้าท้าว่าลูกที่โง่เข่าลูกที่ไม่มีปัญญาพ่อแม่จะเสาะแสวงหาทรัพย์มาให้อย่างที่หลวงพ่อเคย เ, เล่านิทานแล้วว่าเป็นตัวอย่างให้ฟังเอลูกเต้าเป็นคนโง่ลูกชายคนเดียวแต่พ่อแม่เห็นแล้วเออลูกชายของเราเนี่เป็นคนโง่ แล้วเราจะทำยังไงจึงจะให้เขาเลี้ยงชีพตลอดชีวิตของเขาพ่อแม่ก็ออกความเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อออกความเห็นเออเมื่อเราได้ทองคำมาค้าขายได้ทองคำได้เงินมาเราก็ควรจะหลอมเทลงไปให้เป็นภูเขาขึ้นมาเพื่อต่อไปภายภาคหน้าพวกลูกของเราจะได้เลี้ยงชีพด้วยทองด้วยเงินที่เป็นก้อนถ้าคว่า มันแตกกระจายลูกของเราก็คงจะใช้อิรูชุยแชกแบ่งไปเรื่อยแต่นี้ถ้ามันเป็นภูหรือเป็นจอมปวกขึ้นมาในหลังบ้านกินทีละน้อยละน้อยก็คงจะเลี้ยงชีวิตเขาได้อันนี่คือความคิดของพ่ออ่านไกลว่างั้นเถอะอ่านไกลให้ลูกตัวเองเลี้ยงชีวิตด้วยการเลี้ยงชีพที่ตัวเองได้หาเงินหาทองมาเทไว้เพราะสมัยนั้นไม่มีธนาคารเนี่ย ไม่มีธนาคารเงินกับเงินแท้แท้ทองกับทองแท้แท้พอหลอมมาก็มาเทราดไว้หอมหลอมกับเทลาดไว้ต่อไปว่าแบเป็นภูเขาขึ้นมาท้าว่าพอต่อมาพ่อแก่ชราขึ้นมาก็สั่งลูกชายหรือเปลโอ้ลูกเอ้ภูเขาทองอย่นี้นะ่ะพ่อแม่ได้เทราดไปนั่นน่ะหลอมแล้วก็เทไว้เวลาลูกหากินที่ไหนไม่ได้ก็ขอให้ลูก เอาจอบเอาเสียมเอาอะไรไปขุดนะกต่แบ่งขายทีละน้อยละน้อยเลี้ยงเฉียบนะลูกนะเออลูกก็ยอมรับพ่อต่อมาพอพ่อแม่ตายไปนานอลูกก็ขายที่นูน่นขายที่นี่ขายดินที่นู่นขายกิจการที่นี่ขายบ้านขายเรือนขายมาเรื่อยๆจนถึงเอ้นี่แหละพูกเขาเงินผู้เขาทองอที่ว่าที่พ่อแม่ลากไปให้เ่จากนั้นก็มาขายแบ่งขายทีละน้อย ต่อมาต่อไปอีกไปนี่มันขุดยากมันมันเหนื่อยเออผลที่สุดก็เลยประมูลขายทีเดียวเลยแบบนั้นเถอะเออขายภูเขาทองภูเขาเงินที่จอมปลวกที่พ่อแม่เถลาดไปให้ผลที่สุดก็เลยยังไม่ตายตัวเองหมดเงินก่อนเพราะเงินันเหล่านั้นเอามากับเอไปในอบายยมุกพวกคนโง่เนี่ยอบายยมุกทุกประเภททั้งตุลาทั้งนารีพาชีกีฬาบัตรปบท่วนแบบนั้นเถอะ ผลที่สุดก็หมดยังไม่ถึงตายนี่แหละถ้าหากว่าเปรียบเพียวว่าเมื่อเราเอาทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกหลานของเราถ้าไ ม, ไมา่ไม่เอาความรู้ความฉลาดเข้ามาไม่เอาหลักวิชาไม่ได้สอนให้เขาฉลาดเราจะเอาทรัพย์สมบัติถมเข้าไปถมให้คนโง่คนโง่ก็ไม่ไม่รู้จักคุณค่าของทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราเอาทรัพย์สมบัติเอาวิชาความรู้ให้แก่เขาเขามีวิชาความรู้แล้ว กินไม่หมดเออใช้ไปเท่าไหร่กินไม่หมดแต่ถ้าหากว่าเขาใช้ทรัพสมบัติอย่างที่ว่าเ น, นมันหมดได้นี่เพราะนั้นหลวงพ่อจึงเน้นเรื่องการศึกษาเพราะฉะนั้นขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่หลวงพ่อได้มาพบมาเจอกับครูบาอาจารย์ในวันนี้ก็ขอหลวงพ่อขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ให้ตั้งอกตั้งใจสอนลูกสอนหลานด้วย ความรู้ความฉลาดความสามารถจริงๆให้เป็นครูจริงๆครุแปว่าครูแปว่าหนักนะเป็นผู้จิตใจหนักแน่นจิตใจอบอ้อมอารีจริตใจมองไกลช่วยเหลือชุมชนประเทศชาติครูบาอาจารย์เป็นผู้นําวิญญาณของท้องถิน่นเป็นบุคคลสำคัญของท้องถิน่นเพราะนั้นเราจะมองข้ามไม่ได้ครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนลูกสอนหลานพวกเราให้รู้จัก คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นถือว่าครูบาอาจารย์เป็นบุคคลสําคัญในท้องถิ่นมองข้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายการเป็นครูบาอาจารย์ให้มีศักดิ์มีสีให้เชื่อมั่นในหลักวิชาการให้ภูมิใจในหลักวิชาการอย่าเอาครูบาอาจารย์ที่เขาสังคมชุมชนสังคมยกให้ว่าเป็นผู้นํา แล้วทำตัวไม่ดีหลงพ่อไม่เห็นด้วยน ะ, อ, ะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดจากเบื้องต้นข้อที่5ให้ระมัดระวังที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องเป็นผู้สมบูรณ์ทุกอย่างเป็นผู้มีจิตวิญญาณเป็นครูจริงๆครูบาอาจารย์เป็นยังไงในหลักของพุทธศาสนาแนะนำดีให้เรียนดีบอกศิละปะให้ชื่นเชิงไม่ปิดบังอัมพาง ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงจะไปในทิศไหนไม่ให้อดอยากนะอันนี้คือครูนะชีวิตของครูแนะนำดนะีคือเห็นลูกศิษย์มาแนะนำดีให้เรียนดีนะบอกศิลปะให้ชื่นเชิงไม่ปิดบังอำพางแต่ตอนนี้ตัวที่สามนี่นะทุกวันนี้อยากจะมีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์นในเมืองเออ เวลาไปสอนในโรงเรียนก็สอนอีกระดับหนึ่งขยักวิชาเอาไว้พอมาเรียนพิเศษฉะนั้นสอนให้เก่งทั้งหมดเพราะนั้นลูกศิษย์ที่มาเรียนกับตัวเองไปสอบก็ได้เก่งเพราะนั้นครูดักเรียนทั้งหลายก็เลยเฮลโอมากาันมาสอนมาเรียนกับครูบาอาจารย์ที่สอนพิเศษให้อันนี้หลวงพ่อว่าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่แท้จริง เป็นครูบาอาจารย์ที่แท้จริงแล้วว่าไม่มีกรรมมืออยู่ในอาจารย์ในขณะที่สอนสอนด้วยความตั้งอกสอนด้วยความตั้งใจสอนอยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาตัวเองมีความรู้ความฉลาดจริงๆริงการสอนแนะนําดีให้เรียนดีบอกศิลปะให้ชื่นเชิงบอกศิลปะให้ชื่นเชิงไม่ปิดบังอำพรางยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงจะไปในทิศไหนไม่ให้อดอยาก อ, อันนี้คือหน้าที่ของอาจารย์ หน้าที่ของสิทธ์เมื่อเห็นครูบาอาจารย์มาทำยังไงด้วยลุกขึ้นยืนรับหน้าที่ของสิทธ์เข้าไปเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถามด้วยศิลด้วยเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพอันนี้คือหน้าที่ของสิทธ์เมื่อเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาแสดงความคเคารพด้วยลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟัง ด้วยอุปถาด้วยเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาเพราะพรุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดสําหรับครูบาอาจารย์กับสิทธิ์ทําอย่างไรสิทธิ์ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ทําอย่างไรอนี่แหละขอให้พวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้ช่วยกันสั่งสอนลูกศิษย์โดยความให้ด้วยตังความตั้งใจด้วยความเป็นธรรม ด้วยศีลธรรมและ ก, การทำการทำงานทุกขั้นตอนต้องดูต้องดูการทำงานไม่ว่าขแขนงไหนละไม่ต้องไม่ว่าอยู่ในวัดในวาไม่ว่าอยู่โครงการไหน อ, อยู่ในชุมชนไหนอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ไหนที่เป็นหัวหน้าก่อนที่จะดูแลก่อนที่จะจ่ายงานให้ลูกน้องก่อนที่จะใช้ลูกน้อง เราต้องดูซะก่อนว่าเขาทําได้มากน้อยอยังไงแค่ไหนอย่างที่ในครั้งพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างนะสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราไปฉันไปฉันอยู่ในเกหาสถานของท่านท่นี้พอไปฉันเสร็จแล้วพระสงฆ์ที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปนั่งไปดูสวมไปชมสวนแบบนั้นเถอะ อไปสมสวนแต่พระพุองค์ก็ไมไ่ไม่ได้ไปแต่พระสงฆ์เดินไปสมสวนของโยมตอนนี้พอไปเดินไปพอไปเดินไปไปเห็นหลุมต้นไม้ที่หลุมต้นไม้ที่เขาปลูกกั่นเห็นแต่หลุมไม่เห็นต้นไม้พระสงฆ์ก็เลยถามนายอุทยานที่พานำพานําเที่ย ว, วงั้นเถอะเอ๊ะทำไมหลุมมีแต่หลุมต้นไม้ ทำไมไม่มีต้นไม้ในอุทยานบอกว่าโอ้ลูกของนี่ยแหละลูกของนายอุทยานที่หัวหน้าโยมลูกของโยมหัวหน้ า, าให้รักษาสวนให้ดูแลสวนคนที่สวนก็เลยให้ลดน้ําต้นไม้พอลดไปลดมาเด็กเขาคิดยังไงเขาบอกว่าเอการลดต้นไม้เนี่ย มันจะถึงมันจะถึงรากมันหรือเปล่าเราควรจะถอนมันขึ้นมาดูซะก่อนว่ามันรากสั้นรากยาวขนาดไหนเราจะได้ลดต้นน้ำต้นไม้ให้มันถูกถ้าต้นนี้รากยาวเราก็จะใส่น้ำให้มันมากขึ้นถ้าต้นนี้รากสั้นเราจะได้ใส่น้ำให้มันน้อยลงเอนลูกของนายอุทยานก็เลยถอนต้นไม้ขึ้นมา ง, งั้นเถอะถอนถอนก็รู้จักว่ามันรากสั้นรากยาว จากนั้นก็เหน็บลงไปใหม่ก็รยค่อยลดน้ําหมางั้ันเถอะต้นไม้มันก็ตายหมดทีที่นี่พระสงฆ์ทั้งหลายเขาก็เห็นเออต้นไม้ทําไมาตายเป็นเป็นแถบไปเลยบางต้นมันก็ขึ้นที่เขาไม่ได้ถอนเหมือนันเถอพอพระสงฆ์ได้ยินก็นมากราบพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อวานนี้พวกข้าพระองค์ได้ไปชมสวน เ, เขาบอกว่าหัวหน้าลูกลูกชายของหัวหน้า อุทยานเวลาเขาจะลดต้นไม้เขาถอนต้นไม้ขึ้นมาซะก่อนว่าจะรู้จักว่ารากสั้นยาวขนาดไหนเขาจึงลดต้นนักต้นไม้ต้นไม้เลยตายหมดเด้อผมเป็นแถบเลยว่างั้นพระพุทธองค์บอกว่าหัวหน้าอุทยานคนนี้นะ่ะในชาติก่อนก็เคยเป็นมาอย่างนี้อยู่แล้วมันติดนิดสัยเพราะนั้นพวกเรานะเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะ ถ้าเคยถ้าเคยถ้าท่านผู้ใดเป็นนิสัยยังไงให้สังเกตดูบางทีมันติดเนีย่ยนิสัยติดพพติดชาติก็มีนะไอาะฉะนั้นโอภาตอาโภตเจ้าท่านบอกว่าลูกชายของนายอุทยานเนี่ยนะ่ะอผู้รักษาสวนต้นไม้เนี่ยอติดพพติดชาติพระสงฆ์ก็เลยอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงพระเจ้าข่าติดมาจากภพไหนชาติไหนทําไมจึงทำอย่างนี้เพราะพระองค์ก็เลย ยกเป็นชาดกขึ้นมาบอกว่าในสมัยหนึ่งในเมืองสาวัตในกรุงพาราณสีพระเจ้าพมรมทัดสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีว่ากันมีนายอุทยานคนหนึ่งรักษาสวนของพระเจ้าแผ่นดินทีนี้นายอุทยานนั้นก็ปปลูกต้นไม้แล้วก็มีลิงอยู่ฝูงหนึ่งฝูงใหญ่ คงจะเป็นลิงอุหลังกูตังนี่ก็ะมังเออลิงตัวใหญ่ๆเนาะว่า ง, งั้นเถะเออทีนี้ก็ลิงตัวนั้นก็ประจําพวกลิงฝูงนั้นอนะประจําอยู่ในสวนกินมะม่วงฝั่งกินมะพร้าวฝั่งกินอะไรต่ออะไรอยู่ในสวนนั่นอนะเขาก็เลี้ยงไว้ทีนี้ก็รู้จักว่าลิงตัวนั้นกับคนเนี่ยรู้จักกันดีเออสอนได้ว่า ง, งั้นเถอะทีนี้นายอุทยานเนี่ก็วันนั้นเป็นวันวันเดือนสิบสองเพน จะเป็นไปเล่นนักขัดตะเลิกว่างั้นเดี๋ยวใครทกัพวกเราเดือนสิบสองเพ็นมาเล่นลอยกระทงอย่างนั้นแ่ะเอ่ยันี้ก็นายอุทยานก็บอกเรียกหัวหน้าลิงมาเฮ้ยหัวหน้าให้เราจะไปเอชมนักขัดตะเลิกนะเจ็ดวันให้พวกแกทั้งหลายลดต้นไม้แทนเราหน่อยนะ เ, ยเพราะว่าเรามาอยู่ให้หัวหน้าตกหน้าเน่ย วิธีการลดในอุทยานก่อนวิธีการสอนให้ทั้งหมดว่างั้นนอ อ, อตักยังไงตักน้ํายังไงลดยังไงผลที่สุดฟอนายอุทยานไปีน่ก็ให้เลียงหัวหน้าลดต้นไม้พอลดไปวันสองวันเลี้ยงหัวหน้าก็เลยสั่งลูกน้องไป เ, เออต้อนไม้ที่เราลดเนี่ยมันต้นใหญ่ต้นเล็กต่างกันนี่หลักสั้นหลักยาวต่างกันเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะถอนขึ้นมาซะก่อนนะ เพื่อจะได้รู้ว่ามันลากสั้นลากยาวขนาดไหนแค่อยๆลดมันจึงจะพอดีพอเหมาะเหมือนเอนพวกลิงทั้งหลายก็เลยถอนถอนต้นไม้ขึ้นมาถอนขึ้นไม้ต้นไม้จะค่อยเอาลงไปอีกพอนายอุทยานกลับมาเกือเป็นลมเหมือนกันเถอะเออแต่ท่านี้ก่อนที่นายอุทยานมาเนี่ยมีคนเข้าไปไปไ ป, ไปถามลิงเหมือนกันเอ้าทําไมต้นไม้จึงตาย ลิงเขบอกว่าพอเราถอนขึ้นมาแล้วเราจะได้นดน้ําถูกว่าลากสั้นลากยาวขนาดไหนนายอุทยานบอกโอ้จะทําอย่างนั้นได้ยังไงมันไม่รู้จักตอนก็นมามันก็ตายหมดสิทางลูกน้องของลิงก็บอกว่าอา้าวถ้าไม่ถอนจะรู้ได้ยังไงว่าลากสั้นลากยาวขนาดไหนทางคนคนนี้ก็เลยตอบว่าขนาดหพรหน้าตะแกจะยังโง่ถึงขนาดนั้นเราจะไม่พูดถึง บริวานลูกน้องจะโง่ถึงขนาดไหนว่า ง, งั้นแต่ขนาดหัวหน้าก็ยังโง่ถึงขนาดนั้นอลูกน้องจะโง่ถึงขนาดไหนเราจะไม่พูดว่า ง, งั้นอันนี้แปลว่าคนที่ไปเห็นเขาเลยไม่พูดว่างั้นเถอะเพราะไม่รู้จะพูดยังไงแต่นี้พระโพธิวงค์ท่านก็บอกว่าเนี่ยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนที่จะสั่งงานสั่งการให้ลูกน้องทําเราต้องดูคนซะก่อน ว่าเขาสมควรจะทำอย่างงานอย่างนี้ได้หรือไม่ไม่ใช่ว่าสั่งสุ่ 4, สีุ่่ห้าเมื่อสั่งไปแล้วเขาทำไม่ได้มันเสีย เ, เหมือนกับพลิงถอนต้นไม้ขึ้นมาถอนยากถอนโคนขึ้นมาก่อนค่อยลดน้ำอย่างนั้นแหละมันเสียหายถ้าหากว่าคนที่รับหน้าที่การงานของผู้รับสั่งถ้าเราทำไม่ได้เราก็ควรจะบอกให้หัวหน้าว่า งานชิ้นนี้ผมไม่ถนัดผมทำไม่ได้เพราะว่าผมไม่เคยทำถ้าทำไปแล้วจะเกิดความเสียหายขอให้ใช้คนอื่นนะครับก็ต้องบอกเจ้าหนายไม่ใช่พยายับไปทำแบบซุ่มสีุ่่มห้าแบบไม่ใช่ไม่มีความคิดอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายที่การมีการอยู่ร่วมกันมีหัวหน้ามีลูกน้องการที่จะทาสิ่งใดก็ตาม ถ้าหากว่าทำอย่างลิงทำนั้นนะ่ะแต่การพูดเนะหลักวิชาการเขาดีนะแต่ว่ามันไม่ถูกมันไม่ถูกแต่หลักวิชาการเขาดีทำไมจะว่าหลักวิชาการเขาดีเพราะว่าเขาบอกว่าต้องถอนขึ้นมาเะ ก, ก่อนมันลากยาวลากสั้นขนาดไหนลดน้ำมาจริงจะพอดีนะอันนี้คือความคิดแต่การไปทำอย่างนั้นไม่ได้ตายหมดต้นไม้เหมือนนั่นเถอะดังนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย การอยู่ร่วมกันที่เป็นเจ้าเป็นนายเป็นมีลูกน้องอการอยู่ร่วมกันต้องทางานด้วยความตั้งอกตั้งใจทางานด้วยเป็นทีมทำงานด้วยความด้วยสติด้วยปัญญาประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะรับจะรบจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเรียบร้อยอไม่มีอุปสรรคใดๆจนถึงที่สุดนะวันนี้หลวงพ่อได้พูด เรื่องสัมมรนิยกถากับครูบาอาจารย์นานทีหลวงพ่อได้มาพูดและตอนนี้ไปกขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงประสบแต่อายุวันนะสุ ข, ขาภาละปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมกขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตปรารถนาทุกประการเทิน